ตายไปแล้ว1วันสองวัน3าวันสวันร่างกายที่ขึ้นอืดขึ้นพองเป็นต้นเนี่ยคนที่เจริญกายยัคตานุสติอย่างนี้มากๆคนนั้นก็ชื่อว่าตื่นอยู่หรือว่าคนที่เจริญกสินที่พิจารณาผมเป็นต้นแล้วก็ต่อด้วยกสินพิจารณาเล็บฟันหนังแล้วก็ต่อกสินได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญกายยัคตาสติกายยัคตาสตินั้นเป็นชื่อของการเจริญกายเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีกายเป็นอารมณ์นับตั้งแต่ลมหายใจเข้าขลมหายใจออก แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกพิเศษหน่อยที่เราเชื่อว่าอ่านแต่ว่าคนที่คนที่ไม่พอกินนี่ก็มีไม่ใช่ใ น, น้อยเลยอ่าทั้งกัมพูชาด้วยทั้งไทยเราด้วยวนะก็สภาพของกัมพูชาแล้วก็เหมือนกับชาวต่างจังหวัดของประเทศไทยเราประเทศกัมพูชาก็มันก็เหมือนกับจังหวัดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะ ของประเทศเขาอะนะไม่ไม่ต่างจากจังหวัดเราจังหวัดใดเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าถนนหนทางเขาไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนจังต่างจังหวัดของประเทศไทยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคนทุกคนยากมีมากกว่าทุกทุกประเทศเลยแม้กระทั่งประเทศไทยแม้แต่คนที่ลืมตาอ้าปากพออยู่พอกินหนี้สินก็ท่วมหัวะนี่สินก็ท่วมตัว ใจิตใจที่จะปลอดโปรง่งสบายใจสักชั่วโมงหนึ่งหายากนะเว้นไว้แต่แกล้งลืมเหมือนนะวิธีแกล้งลืมทำไงก็ไปหาอะไรสนุกสนุกดูซะหน่อยนะไปหาซื้อเสื้อผ้าหาเที่ยวหาดูหนังฟังเพลงหาเพื่อนคุยหาอะไรพอให้ประทังประทงแล้วก็สู้ชีวิตกันต่อไปนะ ก, ก็อยู่ลักษณะนี้ตั้งแต่เกิดจนตายนะั่นแหละบางท่านหมดไปอีกลักษณะหนึ่ง แล้วในคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะที่ใช้อยู่ชีวิตเต็มไปด้วยคนทุกข์มากกว่าคนที่มีความสุขคนที่มีความทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะหรือคนที่มีความสุขเขาเจริญกุศลยามที่เขามีสุขก็หายากมากเมื่อได้สุขแล้วที่จะคิดถึงกุศลจิตของตัวเนี่ยนะค่อนข้างจะหายากผู้ที่เรียนอภิธรรมมที่หน้าปรารถ น, ะนาต้องการบำรงบำเรอจกักขวิญญา โสตะวิญญาณคานะวิญญาณก็จะแสแวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ซะส่วนใหญ่เมื่อได้สิ่งเหล่านี้สมปรารถนาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะวันไหนที่กามาคุณหัสาสัมผัสมา ก, กาขึ้นวันไหนที่เราแสแวงหาความสุขจากประสาทสัมผัสทั้ง5้าทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียกว่ากามาคุณทั้ง5คําว่ากามาคุณก็คือสิ่งที่เป็นที่ผูกมัดความ กา마นี้แปลว่าความเพลิดเพลินหรือความใคร่ความพอใจคุณะตัวนั้นแปลว่ามัดอย่างั้นสิ่งที่น่าพอใจน่าเพลิดเพลินซึ่งผูกมัดสัตว์ทั้งหลายเอาไว้อย่างนั้นนะนะโที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนักอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะแสแวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ซะส่วนใหญ่เมื่อได้สิ่งเหล่านี้สมปรารถนาก็ยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสเนะ วันไหนที่กามาคุณหา้บาบังเกิดขึ้นวันไหนที่เราได้ลาบวันไหนที่เราคิดว่าเราได้วันนั้นคือวันที่เรามีความสุขมากวันไหนที่เรานึกว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียกรมมาคุณวันนั้นเราก็ทุกข์แล้วนนะก็สลับคล่เคร่าวกันไปอันสภาพจิตของแต่ละคนที่จะเป็นไปกับกุศลหายากเมื่อกุศลจิตหายากเนี่ยนะ สัตว์ทั้งหลายจึงทุกข์มากกว่าสุขนี่ขนาดมนุษย์นะมนุษย์นี่โดยภูมินัเป็นสุขติภูมิของเก่ามาดีนะเราจะเทียบไปแล้วเนี่ยทุนรอนมาดีนะกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยปฏิสนธิด้วยมหาวิบากจิตนะซึ่งเป็นผลของบุญที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะั้นไม่ใช่ของง่ายเป็นของคนมีบุญจริงๆที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากนั้นน่ะเพราะว่าบุญที่จะทําให้มาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลย ยกตัวอย่างเช่นบุญที่จะทําให้มีตาตาไม่เสียตาไม่บอดตาไม่เค <c oughs> หายากนะหรือไม่มีหูกว่าหูเราจะมีเนี่ยหูใช้การได้หูไม่เสียก็ยากที่จะเลี้ยงดูฉั้นคนที่หูเสียเนี่ยนะถ้าเราอยู่โรงพยาบาลก็น่าจะเห็นเยอะนะยิ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆคนที่เป็นโรคหูก็ไม่ใช่ใ น, น้อยคนที่เป็นโรคตานี่เคยเห็นนะมานั่งเรียงกันเป็นตับเลย เพื่อที่จะให้หมอตรวจและคนที่ตัดแว่นตาเพื่อที่จะช่วยทนุบำรุงตาขึ้นคนเป็นโรคจมูกในตอนนี้มากหายใจไม่ค่อยออกกันหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเห็นไหมคนเป็นโรคทางลิ้นก็พอมีเช่นปากเปื่อยหรือว่าเป็นแผลในปากแต่ส่วนใหญ่โรคก็คือไม่พอที่จะรับประทานนะอันนี้ก็นับว่าเป็นโรคิชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโรคทางกายแล้ว โ, โหตั้งแต่ ห, หัวจรดเท้าเลยเห็นไหม ร่างกายของเราส่วนไหนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่มีรคอเนเพราะว่ารรปร่างกายของเรานั้นคำว่าร่างกายเกิดจากเหตุสี่อย่างนะทางร่างเลยนะส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมส่วนหนึ่งเกิดจากจิตส่วนหนึ่งเกิดจากอุตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาหารเมื่อร่างกายซึ่งมีสมุทฐานสี่อย่างนะบางอย่างเกิดจากกรรมบางอย่างเกิดจากจิต บางอย่างเกิดจากอุตุบางอย่างก็เกิดจากอาหารคําว่าเกิดจากกรรมกรรมมีกี่ยากรรมมีเป็นมโนกรรมังั้นกรรมสามอย่างนี้ก็ทําอยู่ตลอดแต่ว่าในบรรดากรรมทั้งสามอย่างทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวกรรมจริงๆก็คือตัวเจตนาเนาะเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรม สรุปแล้วจะทําดีทําชั่วก็ตามขณะที่ขยับตัวเมื่อไหรเป็นกายกรรมเลยไม่ว่าจะยืนจะเดินถ้าขยับปากพูดเมื่อไหรก็เป็นวจีกรรมนะอย่างของอามาในกำลังทําวจีกรรมอยู่ส่วนนึกคิดทั่วไปนะคิดละนั่งแล้วก็คิดไปไม่ขยับปากไม่ขยับกายใจก็คิดตามไปเรื่อยๆอันนี้เป็นมโน ก, กรรมนะเป็นมโน ก, กรรม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 ชวนะเขามีอยู่สองประเภทเจตนามีสองอย่างคือกุศลและอกุศลบอกว่าฉันเฉยๆเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเขาเฉยๆยังไงเราจะอธิบายว่างไงก็บอกว่าเอ๊ะฉันไม่เลยเป็นไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลแต่เฉยๆถ้าเขาบอกว่าเขาเฉยๆเนี่ยเราจะอธิบายเขาอย่างไรว่าเขาเป็นกุศลหรืออกุศลก็าถามว่าเฉยนี้เฉยด้วยความเร่าร้อนไหม เฉยด้วยความฟุ้งซ่านไหมเฉ ย, ยด้วยความลังเลสงสยัยไหมเฉยจะเอาหรือเปล่าเนไหมถ้าเฉยจะเอาเป็นต้นเฉยแบบนี้เฉยกับโลภะหรือเฉยกับโมหะแต่ถ้าเฉยและเบามมทุตากรรมญตาปาคุณ ญ, ญาตาละหุตาจะเฉยจริงแต่ว่าเบาอ่อนคล่องควรแก่การงานเป็นความซื่อตรงของจิตของความคิดขณะนั้นอันนี้ก็เบา แต่เบาแบบนี้เอออันนี้เฉยแต่เฉยเป็นกุศลพอะะ น, นเฉยเฉยนี่ก็มาจำแนกอีกครั้งว่าเป็นกุศลหรืออกุศลทีเราก็มาถามเราว่าชีวิตของเราตั้งกระเชา้าจนเย็นมาเนี่ยนะเกิดการขยับตัวเมื่อไหร่เป็นไปกับกุศลไหมเนี่ยนะอา้าวถ้าถามว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดเนี่ย เอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าสิ่งนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็เอาทานเป็นต้นมาเป็นเครื่องวัดว่าเจตนาในขณะนั้นนั้นของเราเป็นไปกับทานไหมเป็นไปกับศีลไหมเป็นไปกับภาวนาไหมเป็นไปกับการอ่อนน้อมไหมเป็นไปกับการช่วยเหลือเกื้อกูลไหมหรือสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไปกับมงคลสมสิบแปดไหม เอามองคล38หรือเอาบุญกิริยาวัตถุสิบหรือเอาบารมีสิบอย่างมาเป็นเครื่องเครื่องวัดสภาพจิตในขณะนั้นๆถ้าหากว่าเออบุญกิริยาวัตถุสิบก็ไม่ใช่ทานศีลภาวนาก็ไม่ใช่ทานศีลเนกคัมมาปัญญาวิรยิยคันติสัจจะอธิษฐานเนี่ยมีโทษไม่ใช่แล้วใจควรเป็นอะไรเป็นอากุศลที่เป็นซีโทษหรือไม่มีโทษตัวของเขามีโทษ ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าเขามีโทษเนี่ยโทษของเขาคือย อ, รรอย่างไรขณะที่อกุศลจิตเกิดมีโทษอย่างไรโทษก็คือขณะนั้นคนนั้นจะไม่มีศรัทธาออขณะที่อกุศลจิตเกิดเนี่ยนะศรัทธาเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีสติเขาจะไม่มีฮิเรโอตาปะเขาจะไม่มีเมตตา เขาจะไม่มีปัญญาเขาจะไม่มีความเอิบอิ่มที่ไม่มีโทษเขาจะไม่มีจิตที่เป็นกรุณาจิตที่เป็นมุทิตาจิตที่เป็นศีลจิตที่เป็นสมถะจิตที่เป็นวิปัสสนาฉะนั้นอกุศลนั้นๆเกิดขึ้นทำลายกุศลทั้งหลายเหล่านั้นของเขาโดยสิ้นเชิงไปแล้วในขณะนั้นอันนี้ก่อนโทษอย่างหนึ่งของอกุศลนนะ เมื่อเกิดขึ้นทำลายส่วนดีของสภาพจิตไปหมดเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งอากุศลเมื่อเกิดขึ้นตัวของเขาเองก็เป็นเหตุใกล้ให้อากุศลอย่างอื่นเกิดด้วยเหีนะอากุศลเล็กๆน้อยๆวันนี้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้อากุศลมากๆในวันข้างหน้าต่อไปถ้าวันนี้อากุศลกลุ่มรุมมากแสดงว่าพรุ่งนี้อย่าหวังความงอกเงยในกุศลเลย ทำไมอ่ะเพราะอุปนิสัยวันนี้เนี่ยไม่ได้เกื้อกูลต่อกุศลของวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะพองบอกว่ากุศลใกล้ต่อกุศลเวทนาที่เป็นกุศลใกล้ต่อเวทนาที่เป็นกุศลสัญญาที่เป็นกุศลใกล้ต่อสัญญาที่เป็นกุศลสังขารที่เป็นกุศลก็ใกล้กับสังขารที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็ใกล้กับจิตที่เป็นกุศล จิตที่เป็นกุศลจะกลจากจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลก็จะกลายจากจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่อกุศลแลจิตเราเกิดขึ้นเพราะเชื่อแห่งอกุศลแล้วและทําลายอุปนิสัยแห่งกุศลด้วยขณะที่เขาเกิดขึ้นอันนี้ในลักษณะของอุปนิสัยถ้าหากว่าอากุศ ล, ลจิตเหล่านั้นเกิดในขณะนั้นวิถีจิตนั้นดับไปจุติจิตเกิดเขาจะเกิดที่ไหน อบายทุกขติวินิบาตนรกยังทราบซึ้งในนักขาสูตรเลยว่าพระองค์เอาท่านขาช้อนฝุ่นขึ้นเอาเล็บเนี่ยนะช้อนฝุ่นขึ้นแล้วก็ถามพิสูทั้งหลายเล็บพระนี่ไม่นในเล็บยาวนะเล็บสั้นนิดเดียวนะก็ทามภิกษูว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายฝุ่นในเล็บของรับมือตถาคตกับแผ่นดินใหญ่ อันไหนจะมากกว่ากันนะพิสูจทั้งหลายก็บอกว่าแผ่นดินใหญ่นี้มากกว่าพระเจ้าค่ะส่วนฝุ่นในเล็บนี้ไม่ได้มากเลยแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูกานพิสูจนทั้งหลายชั้นใดก็ดีเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วที่ไปสู่อบายทุกติวินิบาดนรกเนี่ยนะเมื่อเห็นเขาดิน้นเรา่เราๆแล้วก็เอา แต่ที่มาเกิดในมนุษย์หรือมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเหมือนกับฝุ่นในเล็บอันเทวดาสูตรจากเทวดาสู่เทวดาก็เหมือนกับฝุ่นในเล็บ จ, จ, จ, จากมนุษย์สู่มนุษย์ก็เหมือนฝุ่นในเล็บจากอบายสี่าจากมนุษย์ไปอบายหรือจากอบายไปอบายก็เหมือนกับฝุ่นในเล็บทีนี้ชีวิตของเราก็น่าที่จะทบทวนอีกชนิดหนึ่งว่าเราเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินนั่นนะ ก็ถามเออนะัถสถภาพจิตที่เป็นอกุศลแบบนี้เป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินก็บอกเ อ, อแผ่นดินดีกว่าเนาะเพื่อนเยอะดีเอาไเอเพื่อนเยอะๆเนี่ยไปกับเพื่อนเลยใช่ไหมเที่ยวกับเพื่อนสนุกดีออกใช่ไหมเห็นเขาดิน้นเรา่าๆแล้วก็เอาเอาด้วยเอาด้วยเงเพื่อนเยอะเอาไปทำอะไรใช่ไหมอย่าง ก, กบในฟาร์มเนี่ยเพื่อนท่างเพียบเลยอย่างเงยไม่ดีนี่นะอันโมอ า, อาบายเยอะจริง นางสุเมธาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายอบายเนี่ยปันไปกันไม่ยากหรอกคือนางเนี่ยเป็นลูกของพระราชาใช่ไหจะออกบวชนะนางก็รำพึงอยู่เสมอว่าสัตว์ที่ไปอบายไปกันง่ายไปกันไม่ยากแต่ว่าชีวิตของนางในขณะนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเพราะพระพุทธศาสนาสติปัญญาก็ไม่ได้เสียหายเป็นคนไม่พิกงพิการมีสติมีปัญญาสามารถที่จะรู้บุญรู้บาปรู้อะไรมีโทษไม่มีโทษ ฟังพระธรรมคำําสอนก็พอรู้ดีรู้ชั่วอันขณะนี้ก็เป็นขณะที่เหมาะสมเป็นสมัยที่สมควรแล้วอันถ้าหากว่าผู้ที่ปล่ยให้ขณะเหล่านี้ล่วงเลยไปเนี่ยนะบางแห่งบอกว่าประยัดเยียดอยู่ในอบายมากแล้วเนี่ยนะคนเหล่านั้นเข้าประมาทกันแล้วก็ถ้าไปอบายแล้วเขาไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์นะวันนี้หลายท่านแต่งชุดขาวาเลยหน้าหน้าแสดงว่าสมถานอุโบสถมั้งเนาะมีไหม ยำเน็ตสมาทานอุโบสถด้วยหรือเปล่าสมาทานนะสมาทานเกือบทุกคนนะเกือบยำพ่อเอาด้วยมางอุโบสถบ้างอ๋อพ่อพระนะพ่อพระเอาอุโบสถนะอืมคือถ้าหากว่ารักษาอุโบสถนะอุโบสถนี้ถ้าหากว่าผู้ที่รักษาดีแล้วเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปด้วย เจริญพรหมวิหารไปด้วยเป็นต้นนี่เรียกอริยอุโบสดอันถ้าคนที่เจริญอุโบสถเหล่านี้มากๆก็จะมีผลมากมีอ น, นิสงมากแต่เป็นที่น่าต่ ง, ตงเวทใจอย่างหนึ่งนะว่าเออเป็นอิสุปอิสัยเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะมันเข้าใจธรรมะบางอย่างตั้งเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนแหมเอามาคิดเลยอ่ะว่าตอนหลังมัน้เอามาคิดเยอะเหมือนกันยังไงเมื่อกี้ก็นอนเออมันก็ร้อนนี่ลุกไหวเปล่าเนี่ยแล้วก็อีอ่คอมันก็ แสกไปหมดไหมไปไหวหรือเปล่าเาไปแต่นหน่อยแล้วเมื่อไหร่จะได้ทํากุศลอย่างนี้สักทีหนึ่งอ่ะนะอย่าปล่อยขณะให้ล่วงไปเพราะคนที่ปล่อยขณะให้ล่วงไปเขาก็ไปอยู่อบายกันมากแล้วฉั้นเจ็บแบบเท่านี้มันก็นิดหน่อยเมื่อเทียบกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ที่เขาเจ็บมากกว่า น, นี้ก็เยอะแยะไปถ้า ต, ตอนนั้นชวนพระไปโรงพยาบาลทัทนไปเศษนี่แหละเขาป่วยเขาเช้ามาเขาฉันยาก่อนอาหาร เขาก็ยังไงไม่รู้ฉันเร็วไปหน่อยมั้งกลืนเข้าไปแล้วนี้ลมมันตีขึ้นมาเลยตาเนี่ยเลือกขึ้นตกจากเก้าอี้เลยแผลหัวเนี่ยไปชนกับไม้พื้นลอกเวียนแตกไปหน่อยชานั้นก็เลยไปโรงพยาบาลอพอไปแล้วก็ยืนดูอยูน่นะทุกๆประมาณไม่เกินห้านาทีเนะี่ยจะมีรถมาจอดในห้องฉุกเฉินหนึ่งคัน ห้านาทีต่อคันห้านาทีต่อคันถ้าหากว่าทั้งวันแล้วคูณบวกลบคูณหารจากมีคนไข้ประมาณกี่คนเนีย่ยบางคนขาหักบั้งบางคนแขนหักทั้งรถเครื่องรถอะไรบางคนก็พิการมาบางคนก็ถูกอุ้มมานคนที่ได้รับความทุกข์ในลักษณะนั้นไม่ใช่น้อ ย, อยและก็สัตว์ทั้งหลายที่กำลังได้รับความทุกข์อยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่น้อ ย, อยเลยฝนตกบางคนมีความสุข แต่หลายคนกำลังทุกข์เพราะฝนตกเหสิ่งเดียวกันถ้าคนมีบุญนะโอ้ดีจริงๆเลยแต่ถ้าคนหมดบุญเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยแปรสภาพมาทันทีแปรสภาพมาให้บาปให้ผลเพราะฉะนั้นเมื่อบาปสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกอย่าคิดว่าไม่ได้ทำสังสารวัฏที่ยาวนานนะของธารมยเองก็ยังนึกๆว่าถ้าเฉพาะชาตินี้มันให้ผลหมดก็ไม่ต้องแล้วเห็นไ มันให้ผลถ้ชาชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลไม่กี่ครั้งหรอกโอ้แบบน้ำตาเช็ดหัวเขา่าทั้งชาติมั้งเนไหมและชาวนะที่เป็นกุศลสภาพจิตที่เป็นกุศลล่ะมากขนาดไหนถามว่าเร า, เอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจิตเราเป็นไปกับกุศลหรืออกุศลเราก็เอาคําสอนที่มาเป็นเครื่องวัดคําสอนพระองค์ทรงแสดงว่ายอย่างไรซึ่งนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษครับ อันบุคคลผู้ไม่รักสํารวมไม่รักษามไม่ระ ม, มัดระวังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการกระทาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของคำพูดไม่เห็นโทษของความคิดที่เราคิดเนี่ยนะถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยน่าสงสารจริงๆเพราะอะไรเพราะเขาเป็นศัตรูของตัวเอง เ, นะเขาดูเหมือนว่าเขาต้องการความสุข แต่เขากำลังสร้างเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเราถามว่านักเลงการพนันที่กำลังเมามันกับการแทงเพลินการพนันเนี่ยนะถามว่าขณะนั้นเขากำลังทำตัวเป็นศัตรูของตัวเองหรือเขากำลังทำตัวเป็นเพื่อนกับตัวเองใช่ไหมเขากำลังเมามันเลยนะลืมกินข้าวกินปลาเล่นการพนันข้ามวันข้ามคืน หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานก็ต้องฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะหนี้สินตามมาเพียบเลยใช่ไหมหนี้สินที่ติดตามมาเนี่ยอย่างนายธนาคารไล่คนเนี่ยไปติดการพนันแล้วก็ในช่วงที่ไปเล่นการพนันนี่ยก็หมกเม็ดเงินของลูกค้าก็คือเอาเอาเงินของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ฝากเข้าให้มันเข้าหลักอนะก็เอาไปเล่นการพนันหมดตอนหลังเขาก็ตรวจสอบได้แล้วก็ไปเล่นการพนันหมดก็มีวิธีเดียวที่จะหนีโทษนี้ได้ก็คือ ค่าตัวตายก็บอกว่านักเลงนักเลงการพนันที่เล่นการพนันด้วยความเพลิดเพลินมัวเมาด้วยความสนุกสนานอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยนะทำตัวอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยนะเขาสู์เสียทรัพย์สินสูญเสียบุตรภรรยาสูญเสียเข้าของเครื่องใช้สูญเสียคนรู้จักเพราะว่าใครทั้งหลายก็จะประนามเขาบางคนก็ถึงกับศูญเสียชีวิต การสูญเสียเหล่านั้นพระองค์บอกว่าไม่มากเลยไม่มากพงนับในครบมั้ยเนี่ยนะเยอะจมวาจารทางใจเนี่ยนะการกระทาของแรลงมดปลวกสัตว์ชนิดอื่นอื่นอีกมากมายเน่ะเมื่อสัตว์มากมายลักษณะ น, นั้นสัตว์ที่ไปอบายแล้วดีไหมเอาไหมให้นอนฟังเอาไหมเอานาะนั่งดีกว่านะแล้วก็ ณศาลาแห่งนี้เนี่ยนะผู้ที่สัตว์ที่ฟังธรรมรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องไหน